พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปนโนแสดงโปรดชณะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่แปดพฤษภาคมพศสองพั 8, นหแดณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานี การบำเพ็ญดิในสถานที่นี้ออเป็นเวลาออกแบบที่นี้การบำเพ็ น, นทั้งรายทุกทุกนข่อนเมืเ่อเวลาการฟังเทศก่อนฟังทั้งางวันกลางคืน มาเพื่สนาทั้งหมดตับการฟังทั้งเราเข้าไปจับประสานกันเป็นลำหนักมาจิตใจที่มีธรรมะเข้าใกล้จิตจริงที่เป็นมรรคินก็าริ่มขยายตัว อ, ออกไปถ้าธรรมะได้ห่างไกลแม้จะอยู่ในวัด วิเสิ่งที่เป็นมงินทินนั้นก็ไม่เปลี่ยนในเมื่อเราเมืบำเพ็ญธรรมะเราจะอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีสิ่งที่จะคอควรให้เราได้รับความลำบากหรือเดศษร้อนด้ยเพราะเหตุข่งเขานั้นก็ายอมห่างไกล ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเพงสอนภาษาวอกของท่านเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายจงดีมีที่พึ่งอยา่าเลยอยู่โดยไม่มีที่พึ่งเลยให้เรียกงานไม่ให้อยู่ปราศจากที่พึง่งที่พึ่งที่พระองค์ท่านประทานพระวาทในเวลานั้นความหมายถึงธ่รม เห็นวิรยะก็เยียกไหว้ทำทันติความพดคนต่อติดตามงานที่ชอบของตนก็เรียกวัาเจอจับความยินเย้นไม่เบียงเบนในหนา้ทาที่ของตนที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ก็เป็นธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าจ จีงมีดีที่แห่งสิดผลสำหรับผู้ไข่ต่อทางของทางัานนำไปประกึกปฏิบัติยอมสำเร็จประโยชน์แก่ตนตามขั้นถึงศึกษาและตามพฤกษ์ของต น, นได้เมื่อใด้ศึกษาอบรมด้วยธรรมะเสมอแจะยอมจะมีความรู้ความเข้าใจ ในเหตุผลลึกตุ่ที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งต่างๆมาเ้เป็นมนากเพราะคำว่าธรรมะก็ที่หลักเหตุผลนั่นเองซึ่งเราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ข้งเรางำนี้โดยมากออ ทางท่านก็ทางอยากจะฟังถึงเรื่องอวิชาว่าเป็นอย่างไรถึงเรื่องถึงเรียกว่าอาวิชาอาจจแกลตามศัพ์ของอวิชาก็ิีความรู้ไม่เก่งชัดรู้ด้านหนึ่งแต่ทาํามาหลงนหน่งรู้ไม่ถั่วถึงเรื่องอริชาหรือแต่ว่าเจ้เนื้อ แต่ว่ารู้ในบาลีทั้อันนี้เอางาต้องเ็นชาพระวิชาแต่เรารู้ไม่แค่ที่ไม่รู้ไม่ปวดขึงถ้าเป็นพระอาทิตย์ส่องลงมาในโลกนี้ก็ยังมีเงาถ้าพระอาทิตย์เที่ยงตรง มองหาเงาของเราก็ไม่เห็นเยอะกว่าพระอาทิตย์อยู่บนทิศตะของเรานั้นสามารถจะกําจัดเงาออกได้ถ้าอยู่ด้านหนึ่งเงาพระอาทิตย์อยู่ด้านหนึ่งเงาก็ต้องมาอยู่ด้านถ้าพระอาทิตย์อยู่ด้านตะวันออกเงาตัวของเราก็อยู่ด้านตะวันตกถ้าพระอาทิตย์เบี่ยงไายต่ทางด้านตะวันตกเงาของเราก็ เบียงบ่ายมาอยู่ด้านตะวันออกถ้าพระพระอาทิตย์ตรงเงาก็หายไปคำว่าเงานั้นคิด้าจะเทียบทางความรู้แลว้วก่อเลยความรู้ที่เป็นลุ่มๆกันบ่อกไม่เขือถึงถ้าเป็นเห็นด้วยตาก็ไม่ชัก แต่เห็นหากไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่ท่านสิรียกพระวิชาหรือ ว, ว่าความรู้ไม่ชัดวิชาความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้ ง, เ, ง, เ, งเป็นความรู้ที่ถ่วถึงที่ทันว่าไม่รู้อดีต ไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันพันไมเลนไม้ถึงพบชาติที่เราเคยเป็นมาแล้วเป็นมาได้กี่พบกี่ชาติเป็นอะไรบ้างและเรามาอยู่เกิดในพบนี้เราเป็นอะไรเราเป็นสัตว์หรือเป็นุคนคเราจะได้เกิดในพบหน้าเราจะเป็นอะไรก่อนไมเลนหมายอย่างนี้ โดยแน่นอนทีเดียวแต่ก็มีหมายอยู่เป็นส่วนส่วนจะว่าไม่หมายจริงๆก็ไม่มีเกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันที่เราไปเกิดในภพนั้นๆแน่จะเป็นภพที่ต่ำซึ่งเราไม่พึงปรารถนาก็าตาม เป็นสัตวดีเฉานที่ใครๆก็ไม่ต่องกลารแต่สัตวดีเานก็มีเต็มไปหมดทั่วหลกอัง น, นี้ท่านโกยีกว่าเป็นเพราะอาวิชชาคือขับไล่สายส่งผู้ที่อยู่ในอำนาจของตนให้แตกเืิด ความแต่กรรมของตนทําไม่ดีหรือชั่วขนาดไหนกรรมก็อยู่ในวงของอวิชชาหมือนักฉะนั้นอวิชชากับกรรมจริงคําพันเกี่ยงเนื่องกันตัดวิชชากับกรรมดีอวิชชากับกรรมชั่วเป็นคู่เพียงกันเองท่านคือท่านอาทิตย์มาถึงเรื่องอวิชชา ให้ถูกกับเรื่องอวิชาที่เป็นอยู่กับทุกท่านในปัจจุบันนี้ท่นไม่ได้หมายให้เราไปตามรู้พบชาติที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นอดีตและไม่ให้ไปเสาะแสวงหาพบชาติทางหน้าที่จะมีต่อไปเช่นเดียวกับอดีตที่เป็นมาแล้วแต่ท่านให้พยายามสอดส่องมองรู้เรื่อง ตัวการันสํสำคัญ ซ, ซึ่งกาลังสั่งสมพพชาติอยู่หน้าบัตรนี้ในหัวใจของเราท่านให้รู้ทีทำที่ว่าไม่รู้อดีตอนาคตไม่รู้ปัจจุบันนั้นมีหลักปัจจุบันเป็นจุดสำคัญคือไม่รู้เรื่องของตัวเองที่เป็นอยู่หน้าบัตรนี้ เห็นหัวใจของเราวันหนึ่งจะโลภจะโกรธจะหลงกี่ครั้งเราเขาไม่ค้นดูสาเหตุว่าโลภโกรธหลงขึ้นมาเพราะอะไรเรียกว่าเราไม่มองดูเรื่องปัจจุบันความเป็นมาของอดีตที่ปรากฏเินถึงขั้นปัจจุบันนี้ ก็ต้องเป็นมาเพราะเหตุของความไม่รอบครอบในปัจจุบันของตนและจิตที่จะไปก่อกำเนิดโดยขึ้นเป็นพบเป็นชาติในอนาคตก็เพราะหลักปัจจุบันสังสมตัวเองไว้อย่างครอบมอุง่งเนี่ยไม่มีใครจะสามารถมาแก้หรือทำลายผมทางสังสมตัวไว้อย่างเต็มที่นี้ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็เป็นเตียงผู้ขี้อบอกแนวทางในวิธีการที่จะแก้ไขหรือทำลายเท่านั้นธรรมะอวิชชาปัจจยาสร้างข่าลาอาวิชชานี้ไม่ใช่เป็นโดดเป็นเดี่ยวแต่อาศัยธรรมชาติอันหนึ่งคือใจ่ท่านจิง เียบเพียงว่าอาวิชชาปัจยาสร้างฆาราอวิชชานั้นเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารถ้าเป็นต้นไม้อวิชชานี้ก็เหมือนกับรากแก้วของต้นไม้เมื่อมีรากแก้วแล้วรากขอยก็ต้องมีนี่ท่านอย่างว่าสั้งขาลปัจยา เมื่อมีรากฝอยแล้วกินกา้านเปือกับะพี่ก็ต้องมีใบต้องมีเป็นมิน ญ, ญาปัะปฏิยาเลื่อยไปเป็นลำดับลำดับมันต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่ารากฝอยจะเกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นหนึ่งคือรากฝอยของ ของต้นไม้ต้นนั้นต้องเกิดจากต้นไม้ต้นนั้นแห่งเดียวมีรากแก่แล้วก็มีรากปล่อยมีกิ่งมีข้านก็แตกขึ้นจากต้นไม้ต้นเดียวคืออาศัยได้รับเครื่องบำหนุนคือวิชาเป็นเครื่องหอนุนเรื่องสังฆาราวิญญาณังตลอดถึงโสกะเปเททุกเป็นสุดท้าย ล้วนแม้ตั้งแต่เป็นกิ่งเป็นก้านเป็นขาขาที่ออกไปจากต้นไม้ต้นนั้นเึื่องมีอวิชชาเป็นหลากแก้วเท่านั้นเท่านั้นถ้าหากเราจะเรียงลำดับของหลักแก้วหลักขอยแล้วจะเรียงวันยั่งําไม่มีวันจบเราจะนับหลากแก้วแล้วต้องนับหลากฝอยของต้นไม้ นับปลาขอยวันยังคำไม่จบสิ้นนับเปลือกกับที่วันยังคำไม่จบสิ้นเราจะไปนับใบนับกิ่งก้านของต้นไม้ต้นต้นนั้นวันยังคำไม่จบสิ้นตกลงก็เรานับดูอวัยวะของต้นไม้ต้นนั้นเลยไม่มีวันจบสิ้นถ้าเราอยากจะให้ต้นไม้ต้นนั้นยุติลงหรือถึงความจบสิ้นเนี่ย แล้วก็ถากถางเข้าไปติดค้นเข้าไปถาด ห, หนักแก้วลากฟอยลงเป็นลหดับกันต้นไม้ทนไม่ไหวก็ต้องค้นตูมลงไปลากขฟอยก็ตายลากแ ก, กว้วก็ตายเปลือกกระพี้ของต้นไม้ต้นนั้นก็าตายยิงการสาขาน้อยใหญ่ตายไปหมดใบอ่อนใบแก่ ดอกผลที่ปรากฏอยู่กับต้นไม้ต้นนั้นท้าทชิ้้ายไป ต, ตามกันหมดไม่มีชิ้นไหนที่เหลืออยู่ในต้นไม้ต้นนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนยากเรื่องของอวิชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน อวิชานี้เป็นเหมือนธรรมชาติที่รกรุงมลังภายในใจของเราซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสะอาดคือโดยธรรมชาติของผลแต่อาศัยอวิชามาปลูกบ้านปลูกเรือนใจทําให้พื้นที่คือจิตใจของเรานั้นกรกบุงมลังไปด้วยอวิชาปัญญาสร้งข้าลาตั้งข้าลาปัญาวิญญาณังเป็นกระทั่งถึงก่อพบเกาะชักความเกิดแย่เก็บตา่างบูนกันไปเย็นกันนอเพราะเรื่องของอวิชาเป็นผู้ตั้งบ้านตั้งเรือน อยู่ในพื้นที่ที่สะอาดมาตามธรรมชาติของตนงในหัวใจดวงนี้วิธีที่จะดับอวิชชาก็เคยได้อธิบายให้ท่านฟังในภาพแล้วมีวิธีต่างๆตามตามแกรวิดนีสายอุบายทั้งหมดที่เราได้ดำเนินมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่จะให้ยามตัดราบเจ่หลากขอย ต้นโคนเง่าของอวิชาให้สิ้นสุดลงัปในวันหนึ่งเมื่อคุณงามความดีของเราที่ได้สั่งสมไม่เป็นเพียงขอ้อย่างไรจะต้องเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ถูกโคหนเ่งเมื่ออวิชาเป็นเรื่องของกิเลสสังขารที่เกิดขึ้นจากอาวิชาก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสเพราะเป็นสมุนของอวิชาคือสังขารปรุงขึ้นก็เพื่อกิเลส เป็นที่เหลดวิญญาณรับรู้ก็เพื่อพิเลดเป็นพิเลดขึ้นมนาพราะวิชาบงการไปในทางสายนั้นใครที่เดินตามสายของวิชาก็ต้องเป็นสมุนของวิชาคือเป็นเรื่องของสมุทัยด้วยกันเองวิญญาณก็กลายเป็นที่เหลดเป็นสมุทัยไป สารายสนะพัสสะเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องก่อพิเรสให้เกิดหรือเพิ่มพูนให้มีจานวนมากขึ้นเป็นลำดับลำดับจนกลายให้ไปให้เห็นผลอย่างชัดเจนหรือว่ า, าแสดงตัวออกมาอย่างหยับยากข้อปรากฏเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็แสดงถึงความเท่าแายบชลา โกอกไปเจอวะทุกไอเป็นไปอยู่กับธาตุกับขันเนื่องมาจากอาวิชาเป็นกองสเบียงอันสาคัญหนุนให้มาเป็นปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ออกมาจากอริชาเป็นอย่างนี้อุบายวิธีต่างๆที่ท่านสอนเพื่อให้จิตใจของเรามีความสงบนี้ เพเผื่อจะรือ้อหรือตล่อมกระแสะของใจทิพมีอวิชชาเป็นผู้บงการให้สายแสไปสถานในสถานที่วัวตถุต่างๆอารมณ์ต่างๆเข้ามาเป็นลำดับที่มานี่เป็นพวกชาวบ้านม่ใชย ก, ก่ออก ไมาเสียงใครขึ้นมาที่นั่นฮะมจะมาสรงเสียงไมะี่น้าทีไหนมาประหารส่งเสียงตรงนั้นหัวนีสั้แม่บุญเทพอยู่อะเทศนนี้เข้าไหมนไ่เยเทศที่ดีย แล้วก็พูดคุย <variables> กัน <tama> รับแล้วก็บรรยากางแนี้ถึงได้เป็รับ